พ่อมีศรัทธาความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดสอนไว้ว่า mm hmm. พวกเรานี้ไม่มีวันตาย mm hmm. สิ่งที่ตายนั้นไม่ใช่เราเ mm hmm. ช่นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา mm hmm. ไม่ใช่เรา mm hmm. ไม่ใช่ของเราเราอันี้คือใจใจเป็นธรรมชาติที่ไม่ตาย หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็จะต้องไปตามบุญตามบาปถ้าบุญพาไปก็ไปสูงไปสู่ที่มีแต่ความสุขถ้าบาปพาไปก็ไปสู่ที่ต่ำไปสู่ที่มีแต่ความทุกข์นั่นนั้นเราจึงมาทำบุญมาละบาป ก, กันเพราะว่าไม่มีใครอยากที่จะไป ตกทุกข์ได้ยากมีแต่อยากจะสุขอย่างสบายกันทุกคนดังนั้นเราจำเป็นจะต้องบําเพ็ญเหตุที่ทําให้เกิดความสุขเกิดความเจริญและลังนับการกระทําที่ทําให้เกิดความทุกข์เกิดความยากลํบาบากเพราะการกระทําของใจเรานี่ เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลคือความสุขความเจริญหรือเกิดความทุกข์เกิดความยุ่งยากเกิดความลำบากไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นใดอยู่ที่ใจของเราเป็นหลักพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าใจนี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน ใจเป็นผู้สร้างและใจเป็นผู้รับผลที่ใจได้สร้างขึ้นมานารกสวรรค์นี้เป็นเรื่องของใจเป็นผู้สร้างขึ้นมานารกสวรรค์นี้ไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกับกรุงเทพหรือพัทยาแต่เป็นใจที่มีความสุข หรือมีความทุกข์ใจที่มีความสุขนี้เป็นสวรรค์ใจที่มีความทุกข์นี้เป็นนรกนี่คือความหมายของนรกและสวรรค์ไม่ได้หมายถึงสถานที่อย่างที่เราเข้าใจกันเรามีนรกมีสวรรค์อยู่ในตัวเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็สร้างนรกสร้างสวรรค์ สลับกันไปเวลาใดที่เราสร้างทาบุญเวลานั้นเราก็สร้างสวรรค์ขึ้นมาเวลานั้นเราก็มีความสุขขึ้นมาเวลาใดที่เราทำบาปเวลานั้นใจของเราก็มีความทุกข์ขึ้นมาและการทาบุญและทำบาปของเรานี้ก็จะสะสมกันไปเรื่อยๆเหมือนกับ เงินที่เราไปฝากไว้ในธนาคารหรือเงินที่เรากู้มาจากธนาคารยอดก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆฝากมากยอดฝากก็จะสูงมากออกู้มากยอดกู้ก็จะมีสูงมากขึ้นไปพอถึงเวลาตอนที่ร่างกายนี้ตายไปก็จะเป็นเวลาคิดบัญชีระหว่างบัญชีบุญกับบัญชีบา ถ้าบัญชีบุญมีกำลังมากกว่าบัญชีบุญก็จะรากดึงใจให้ไปสู่สุคติไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรมถ้าบัญชีบาสมีกำลังมากกว่าก็จะดึงใจให้ไปใช้กรรมในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างไปเป็นนรก ความจริงไม่ใช่ไปตกนรกแต่ใจจะเป็นนรกหรือเป็นเปรตหรือเป็นเดรัจฉานขึ้นอยู่กับกำลังบาปที่ได้ทำเอาไว้ถ้าทำบาปโดยที่ไม่รู้ก็จะไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปเพราะความโลภอยากได้มากๆ า, ก, า ก, ก็จะเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปเพราะมีความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรมคิดคิดทำร้ายผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นฆ่าผู้อื่นด้วยความโกรธเกลียดนี้ก็จะต้องไปนรกใจจะรุ่มร้อนที่สุดถ้าทำเพราะความอยากได้ใจก็จะหิวอยู่เรื่อยเหมือนเปรยที่กินอะไรได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่มีความอิ่มไม่มีความพอ เขาถึงเปรียบเทียบเปรตว่ามีปากเท่ารูเข็มแต่มีท้องเท่ากระตุ่มเวลากินเข้าไปนี้รู้สึกว่ากินเข้าไปได้น้อยกว่าจะทำให้ท้องที่เป็นตุ่มนี้เต็มได้นี้ก็ยากจึงต้องกินอยู่เรื่อยๆอยากอยู่เรื่อยๆอยากเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นกับใจของพวกเรา ไม่ได้เป็นเกิดขึ้นกับใครใจของเรานี่แหละที่เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรตหรือเป็นนรกหรือเป็นมนุษย์อันนี้ใจของเราเป็นผู้เป็นส่วนร่างกายนี้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยของใจที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ หรือใจที่ได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ใจของมนุษย์กับใจของเดรัจฉานนี้จะไม่เหมือนกันใจของมนุษย์นี้จะไม่ได้ทำบุญหรือทาบาปหรือเป็นใจที่มีบาปกับบุญเท่าๆกันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนใจที่เป็นเดรัจฉานที่ต้องฆ่าผู้อื่นเพื่อเพื่อที่จะรักษาชีวิตของตนให้อยู่รอด ก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ร่างกายของเดรัจฉานแต่ใจนี่แหละที่เป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราใจของเรานี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆตามกำลังของบุญของบาปที่เราสร้างกันไว้ บางภพ บ, บางชาติถ้าเราสร้างบาปมากกว่าสร้างบุญเราก็ต้องไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นนรกบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างบางชาติถ้าเราสร้างบุญมากกว่าสร้างบาปเราก็ได้ไปเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างหรือไปเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์บ้างอันนี้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราในแต่ละวันที่เราทำกันมาในขณะนี้ เราก็เหมือนกับเติมน้ำเข้าไปในตุ่มสองตุ่มตุ่มหนึ่งก็เป็นน้ำบุญอกญอกผลเอกตุ่มหนึ่งก็เป็นน้าบาปเติมเข้าไปเรื่อยๆแล้วพอถึงเวลาที่ร่างกายเราตายไปถ้าน้ำตุ่มไหนมีน้ำหนักมากกว่าน้ำตุ่มนั้นก็จะดึงใจให้ไปเกิดในทางของน้ำตุ่มนั้นเช่นไปทางบุญหรือไปทางบาป การจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนี้ไม่เป็นเหตุที่จะพาให้ไปหรือพาให้ไม่ไปเหตุที่จะพาให้ไปอยู่ที่การกระทําดังนั้นถึงแม้ทำแล้วไม่รู้ก็ตามทําไปแล้วก็ต้องไปใช้ผลเช่นเดลฉ า, านนี้เขาไม่รู้ว่าการฆ่าผู้อื่นนี้เป็นบาปหรือคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่รู้จักคําสอนของนักปราชญ์ เช่นพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าการฆ่านี้เป็นบาปถึงแม้ว่าจะฆ่าด้วยความจำเป็นเช่นฆ่าเพื่ออยู่รอดอย่างนี้อย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นบาปและก็ต้องไปใช้ผลบาปไปรับผลบาปด้วยการไปเกิดเป็นเดรัจฉานดังนั้นขอให้พวกเราพยายามควบคุมใจของเราอย่าให้ไปทำบาป พยายามควบคุมใจของเราให้ทําบุญไปเรื่อยๆเพราะการทําบุญนี้จะทําให้ใจเราสูงขึ้นดีขึ้นทําให้มีความสุขมากขึ้นอย่างที่ตอนนี้พวกเรามาทําบุญกันใจของเราตอนนี้ก็เย็นสบายมีความสุขถ้าตามตรงกันข้ามถ้าเราไปทําบาปเช่นเราไปลักขโมยหรือว่าไปโกหกหลอกลวงผู้อื่น เราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอันนี้แหละคือผลของบุญผลของบาป ท, ที่แท้จริงอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความรู้สึกของเราคือความรู้สึกสุขหรือความรู้สึกทุกอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำบุญหรือทำบาปส่วนผลที่เราได้รับจากผู้อื่นนี้เป็นผลที่อาจจะเกิดขึ้นก็นได้หรือไม่อาจจะเกิดขึ้นก็นได้ เช่นเราไปทำความดีแต่ไม่ได้รับรางวัลเช่นทำความดีในบริษัทขยันหมั่นเพียรทำประโยชน์ให้กับบริษัทแต่ก็อาจจะไม่ได้รับเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ได้ขึ้นเงินเดือ น, อนก็ได้เพราะอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นที่ทําให้ไม่สามารถให้เราได้รับรางวัลเช่นบริษัทขาดทุนไม่ได้กําไรก็ไม่สามารถขึ้นเงินเดือ น, อนให้กับเราได้ หรือเจ้านายเขาไม่ชอบที่หน้าเราอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเงินเดือนก็ได้ดังนั้นเราอย่าไปวัดผลของการทําบุญของการทาบาปที่ที่เหตุการณ์ข้างนอกใจของเราเราต้องวัดผลที่ใจของเราเป็นหลักถ้าเราทําบุญทาความดีแล้วรับรองได้ว่าใจเราจะเย็นจะสงบ จะมีความสุขมีความสบายถ้าเราทำบาปทำไม่ดีรับรองได้ว่าใจเราจะต้องร้อนใจเราจะต้องทุกข์จะต้องวุ่นวายใจนี่คือเรื่องของของกรรมคือการกระทำใจเป็นผู้กระทําและใจเป็นผู้รับผลของกระทําใจนี้ทำ ผ, ผ่านทางร่างกายร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้กระทําโดยตรง ร่างกายเป็นเพียงผู้รับคำสั่งเส้นใจสั่งให้ร่างกายไปทำบุญใจได้บุญแต่ร่างกายไม่ได้บุญใจสั่งให้ร่างกายไปทำบาสร่างกายก็ไม่ได้รับผลบาปใจเป็นผู้รับผลบาป ค, คือความทุกข์ใจความร้อนใจความวุ่นวายใจนี่คือกฎแห่งกรรมที่เป็นผู้ครอบ ครองใจของเราใจของเราอยู่ภายใต้กฎของกรรมนี้ไม่ว่าใครก็ตามพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์หรือปุตุชนธรรมดาอย่างพวกเราทุกคนนี้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมด้วยกันทนั้นมีวิธีเดียวถ้าเราไม่อยากจะอยู่ใต้กฎแห่งกรรมก็คือเราอย่าทำกรรมแล้วถ้าเราไม่ทำกรรมแล้วก็จะไม่มีผลไม่ว่าจะเป็นผลดี หรือผลไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นการที่จะไม่ทํากรรมได้เราต้องหยุดใจของเราหยุดความคิดของเราหยุดความอยากของเราถ้าเรายังคิดอยู่ก็จะเกิดความอยากพอเกิดความอยากก็จะทําให้เราต้องไปทําบุญหรือไปทําบาปแต่ถ้าเราไม่คิดเราก็จะไม่มีความอยากที่จะทําบุญหรือจะทําบา เราก็จะไม่ทำกรรมต่างๆเมื่อเราไม่ทำกรรมเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมามีร่างกายเป็นลูกน้องเป็นที่อาศัยเป็นเครื่องมือของเราตราบใดที่เรายังมีความอยากอยู่จากนั้นเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเรายังต้องการ มีนั่นมีนี่อยากไปนั่นมานี่อยากจะเห็นนั่นเห็นนี่ฟังนั่นฟังนี่เราก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายเราก็จะไม่สามารถสัมผัสกั บ, กบรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพัชชนิดต่างๆที่เราชอบที่เรามีความสุขด้วยได้ แต่ถ้าเราตัดความอยากที่ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะดูไม่อยากจะฟังไม่อยากจะลิ้มรสดมกลิ่นอะไรต่างๆเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเมื่อเราไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องมาทุกทรมานอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ความทุกข์ทรมานต่างๆนี้ล้วนเกิดจากความอยากของเรานี่เอง พอเราก็มีความอยากแล้วเราก็ต้องดิน้นรนหาสิ่งที่เราอยากได้มาพอเราได้มาแล้วเราก็ต้องคอยดูแลรักษาเราก็ต้องมาวิตกกังวลห่วงใ ย, ยกับ ส, สิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เป็นสมบัติของเราและเวลาที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไป เราก็จะต้องร้องห่มร้องห้เศร้าโศกเสียใจนี่คือปัญหาของใจของพวกเราทุกคนคือไม่รู้ว่าความอยากต่างๆนี้เป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆที่พวกเรากำลังเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่ต้องมาเกิดมีมามีร่างกาย พอไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องมามีปัญหากับการทรมาหากินพอมีร่างกายก็ต้องดิ้นรนต่อสู้ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองพอเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้แล้วก็มีความอยากจะมีคู่ครองอยากมีสามีอยากมีภรรยาก็ต้องดิ้นรนหาสามีหาภรรยามาเป็นคู่ครองพอมีแล้วก็ต้องมา ดูแลรักษากันช่วยกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเป็นอะไรก็ต้องมาคอยดูแลกันแล้วก็ต้องคอยหวงคอยห่วงเพราะเมื่อได้ละมาแล้วก็ไม่อยากที่จะให้เขาจากไปพอได้สามีแล้วยังไม่พอได้ภรรยาแล้วยังไม่พอกอยังอยากจ ะ, ะอยากจะได้ลูกอีกก็หาลูกมาเพิ่มเป็นภาวะขึ้นมาอีก ต้องมาเหนื่อยยากกับการเลี้ยงดูลูกหาเงินหาทองมาเลี้ยงลูกมาห่วงลูกมากังวลกับลูกแล้วเวลาที่เกิดการพัดพลาคจากกันก็เกิดความเศรา้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไหง้นี่คือปัญหาของพวกเราที่เกิดจากความอยากต่างๆนี่เองถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่ต้อง กลัมาเกิดไม่ต้องมีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องไปดิ้นรนต่อสู้ทำมาหากินไม่ต้องไปหาคู่ครองไม่ต้องไปหาสามีภรรยาไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมาเลี้ยงลูกมาห่วงลูกมาทุกขกับลูกมาทุกกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราได้มาคือนี่คือปัญหาของพวกเราคือความอยาก พระพุทธเจ้าทรงตัดสัตวเห็นว่าวิธีที่จะหยุดความอยากก็คือเราต้องทําบุญละบาปแล้วก็ชาระใจของเราให้สะอ า, าดบรยสุดถ้าเราสามารถทําบุญละบาปชำระใจให้สะอาดโดยสุดได้เราก็จะสามารถกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเรา ให้หมดไปได้พอไม่มีความอยากอยู่ภายในใจแล้วใจของเราก็จะเกิดความอิ่มขึ้นมาทันทีความอยากกับความอิ่มนี้เป็นเหมือนอยู่เป็นเหมือนเหมือนความสว่างกับความมืดถ้าที่ไหนมีความสว่างที่นั่นก็จะไม่มีความมืดที่ไหนมีความมืดที่นั่นก็จะไม่มีความสว่างคือของทั้งสองนี้จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ จะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าสว่างก็จะไม่มืดถ้ามืดก็จะไม่สว่างเช่นเดียวกับความอยากกับความอิ่มถ้ามีความอิ่มก็จะไม่มีความอยากถ้ามีความอยากก็จะไม่มีความอิ่มดังนั้นถ้าอยากจะให้มีความอิ่มมีความพอมีความสุขก็ต้องหยุดความอยากเท่านั้นเองวิธีที่จะหยุดความอยากพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้มันทาบุญให้มากๆ มันรักษาสิ่งอย่าไปทำบาปแล้วก็พยายามควบคุมความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้เพราะความอยากนี้เกิดจากความคิดของเราพอเราคิดถึงคนนั้นคนนี้เราก็อยากจะไปหาเขาถ้าไปหาไม่ได้ก็ก็โทรไปหาเขาถ้าคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ หรือไม่อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกใจเราหรือไม่ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกใจเราเราก็อยากจะได้ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเราก็จะไม่อยากจะได้พอเกิดความอยากแล้วเราก็อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขเพราะจะเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจเกิดความเศร้าหมองมเกิดความวาม้าเหวขึ้นมา แต่ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ you, ใจของเราก็จะรู้สึกเย็นสบายมีความอิ่มมีความพอไม่อยากจะพบใครไม่อยากจะได้อะไรมานี่คือธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้ใจของเราจะสุขก็ต่อเมื่อมีความอิ่มจะมีความอิ่มก็ต่อเมื่อไม่มีความอยากจะทำให้ไม่มีความอยากได้ <S <S <ๆ>ก็ต้องหยุด ความคิดให้ได้เพราะความคิดนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาหรือถ้าว่าเราจะคิดก็คิดไปในทางที่ทำให้เกิดไม่เกิดความอยากก็ได้เช่น mm hmm. ถ้าเราคิดถึงความตายบ้างอย่างนี้ mm hmm. เวลาเราอยากได้อะไรมาเราก็อาจจะคิดว่าเอามาทำไม mm hmm. เดี๋ยวก็ตายแล้วเอามาให้เหนื่อยยากทาไม หรือให้คิดว่าสิ่งที่เราอยากได้มานี่มันเป็นเหมือนงูพิษคาว่างูพิษก็คือว่ามันกัดเรามันให้ความทุกข์กับเรามันไม่ได้ให้เพียงแต่ความสุขอย่างเดียวอย่างที่เราคิดกันเวลาเราเห็นอะไรเราชอบอะไรเราอยากได้ขึ้นมาเรามักจะเห็นส่วนที่ดีแต่เรามักจะมองไม่เห็นส่วนที่ไม่ดีที่จะตามมาด้วยกันเพราะมันเป็นเหมือนเหรียญ เวลาเราได้เหรียญมานามี้เราไม่ได้เราไม่ได้เหรียญหน้าเดียวเราได้เหรียญสองด้านสองหน้าคือได้ทั้งหัวและทั้งก้อยเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้มาเราไม่ได้ความสุขอย่างเดียวเราได้ความทุกข์ตามมาด้วยแถมมาด้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เขาเป็นอย่างนี้ เขาไม่ได้ให้ความสุขอย่างเดียวเขาให้ความทุกข์ด้วยไม่เชื่อลองคิดดูเช่นร่างกายนี้เราคิดว่ามีร่างกายแล้วเราจะมีความสุขเพราะเราจะทำอะไรไปทำอะไรตามความอยากของเราได้แต่ในขณะเดียวกันเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราก็ทาอะไรไม่ได้เวลาร่างกายแก่เราก็ทาอะไรไม่ได้เวลาร่างกายตายเราก็ทาอะไรไม่ได้ เวลานั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานใจหรือจะเป็นสมบัติหรือเป็นบุคคลต่างๆก็เช่นเดียวกันถ้าเราได้สามีได้ภรรยามาเราก็คิดว่าเราได้ความสุขแต่เราก็ได้ความทุกข์แถมมาด้วยเพราะเราไปสั่งไปควบคุมบังคับสามีภรรยาให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เสมอไปเวลาที่เขาทำอะไรที่เราไม่ชอบใจเราก็ทุกข์ใจ เราจะไปบอกให้เขาไม่ทำเขาก็ไม่เขาก็ไม่เมชื่อเราเราก็จะต้องทุกข์ใจนี่คือเป็นสิ่งเป็นความทุกข์ที่จะต้องตามมากับความสุขถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเวลาเราเกิดความอยากได้อะไรเราก็จะได้หยุดความอยากได้แล้วพอเราหยุดความอยากได้แทนที่เราจะทุกข์เรากับเรากับเย็นกับสบายขึ้นมาความญหญุดหยิดความเศร้าซ้อยง่อยเห ง, งาจะหายไป แต่ถ้าเราไปทำตามความอยากเดี๋ยวเราก็จะต้องไปหาไปเอาความทุกข์มาด้วยแล้วความอยากจะไม่หายไปเพราะเราได้สิ่งนี้แล้วเดี๋ยวเราก็อยากจะได้สิ่งอื่นต่อไปเพราะความอยากนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดท้องฟ้าอาันน้ำในมหาสมุทนี้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนยังมีขอบยังมีฝั่งแต่ความอยากของพวกเรานี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่ง ต่อให้ได้อะไรมามากน้อยเพีงยงไรก็ตามก็จะไม่ก็จะไม่พออยู่นั่นเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราให้มานี้มันไม่สามารถให้ความพอกับใจเราได้สิ่งที่จะให้ความพอกับใจของเราได้ก็คือการหยุดความคิดหรือหยุดความอยากด้วยการใช้ใช้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ให้เราคิดเสมอว่าสิ่งต่างๆที่เราได้อยากได้ในโลกนี้ ล, way, ล้วนมีความทุกข์ตามมาด้วยเสมอเป็นเหมือนยาพิษหรือเป็นเหมือนงูพิษถ้าเราเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นเหมือนยาพิษเป็นเหมือนงูพิษนี้เราก็จะไม่อยากได้มีใครอยากจะได้ยาพิษบ้างมีใครอยากจะได้งูพิษบ้างเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราฉันใดสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ มันก็เป็นอันตรายแก่จิตใจของเราเพราะมันจะให้ความทุกข์กับใจของเราเสมอเพียงแต่ว่ามันจะมาช้าหรือมาเร็วเท่านั้นเองแ ต, แต่มันจะมาหลังจากที่เราได้สิ่งที่เราได้มาแล้วเวลาเราได้มาใหม่ๆเราจะดีใจแต่พอหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเกิดความกังวลแล้วเกิดความห่วงใยและเวลาเกิดที่เขาเปลี่ยนไป หรือเสียไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจนี่คือกความคิดที่จะทำให้เราหยุดความอยากได้และเป็นความหยุดความอยากอย่างถาวรเพราะจะทำให้เราเห็นความจริงว่าสิ่งที่เราอยากได้นั่นเป็นเหมือนยาพิษเป็นเหมือนงูพิษนั่นเองหรือว่าถ้าเรายังคิดอย่างนี้ไม่ได้เราก็ใช้วิธีคิดคำใดคำหนึ่งไว้ไปพงังๆก่อนเพื่อป้องกัน ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่จะทำให้เกิดความอยากเช่นให้คิดคาว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราคิดพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นหรือเรื่องนี้ได้เช่นเวลาบีคนทําให้เราโกรธถ้าเราอยากจะหยุดความโกรธเราก็ท่องพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงคนหรือเรื่องที่ทาให้เราโกรธเดี๋ยวเราก็จะลืมเรื่องนั้นไป ความโกรธก็จะหายไปแต่ถ้าเราไม่หยุดคิดเราก็จะคิดอยู่เรื่อยๆว่าทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นทำไมเขาต้องทำอย่างนี้เราก็จะโกรธไปเรื่อยๆแลวจะโกรธมากขึ้นไปเรื่อยๆตามลาดับจนในที่สุดเราจะทนอยู่เฉยๆไม่ได้เราก็อาจจะไปทำบาปไปทำร้ายเขาได้พอไปทำร้ายเขาแล้วก็จะมีผลเสียหายตามมาเขาก็จะกลับมาทาร้ายเรา แต่ถ้าเราท่องพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆไม่คิดถึงเรื่องที่เขาทําคิดว่าสิ่งที่เขาทานั้นมันก็เสร็จไปแล้วผ่านไปแล้วเราอย่าเอามาแบกให้มันหนักอกหนักใจไปเปล่าๆให้ลืมมันไปเสียจะดีกว่าให้เราท่องพุโทโธพุธโทโธไปให้เราคิดว่าการกระทาของเขานั้นเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของการกระทาของเขาเองเราไม่ต้องไป ให้ผลกับการกระทาของเขาเขาทำดีเขาก็จะได้รับผลดีเองเขาทำไม่ดีเขาก็จะได้รับผลไม่ดีเองเราไม่ต้องไปให้ผลกับเขาเรามารักษาใจเราดีกว่าเพราะตอนนี้ใจข อ, ของเรากำลังไม่ปกติใจของเรากำลังทุกข์กำลังโกรธเราต้องมาแก้ปัญหาของเราอย่าไปแก้ที่อื่นต้องแก้ที่ใจเราแก้ที่ความคิดของเรา ถ้าเราหยุดความคิดได้ไม่คิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธได้เดี๋ยวความโกรธนั้นก็จะหายไปวิธีที่จะทําให้ไม่คิดก็ต้องใช้การท่องคําใดคําหนึ่งหรือท่องอะไรสักอย่างก็ได้จะท่องพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะท่องคาถาอะไรไปก็ได้เช่นส่วนมนต์อรหังสัมมาสวารขาโตสุปฏิปันโนไปสวดไปเรื่อยๆ จนกว่าความโกรธจะหายไปพอความโกรธหายไปเราก็กลับมาสู่สภาพเยน็นสบายเป็นปกติเราก็จะไม่ต้องไปทำบาปเราก็จะต้องไม่ไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกับใครเพราะการมีเรื่องมีราวนี้มันเป็นปัญหามากทําแล้วมันไม่มีวันนิ่งหมดเป็นเหมือนกับเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมพอทําแล้วก็จองเวรจองกรรมกันไป ข้ามพบข้ามชาติวิธีเดียวที่จะยุติเวรกรรมก็คือเราต้องไม่เราต้องไม่โต้อตอบเราต้องมาระงับดับอารมณ์โกรธของเราให้ได้โดยการระงับดับความคิดด้วยการท่องพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปถ้าท่องไปรับรองได้ท่องจริงๆห้านาทีสิบนาทีนี้ความโกรธก็หายไปแล้ว ดีกว่ามาคิดถึงเรื่องที่ทาให้เราโกรธบางทีคิดได้ทั้งวันเขาพูดไม่ดีทำไม่ดีตอนเชา้าตอนเย็นเราก็ยังโกรธเขาอยู่พราเราคิดอยู่ทั้งวันแต่ถ้าเราเลิกคิดได้แล้วเราก็จะหายโกรธเราก็จะสบายเราก็จะเป็นคนดีไม่ไปเป็นคนไม่ดีต่อให้เขาทาร้ายเราขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราไปทำร้ายกลับเราก็ไม่เราก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขา เราก็เร็วพอๆกับเขาดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษาความดีอยากจะมีความสุขมีความย็นใจขอให้เรามาดับความโกรธของเราดีกว่าดับด้วยการไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธดับด้วยการท่องพุทธโธพุทธโธไปนี่คือเรื่องของใจของเราที่จะสุขหรือจะทุกข์เกิดขึ้นจากการกระทำของใจเอง แต่้เรานี่แหละเป็นผู้ที่จะสามารถดูแลรักษาใจของเราให้คิดดีได้หรือไม่ให้คิดดีได้ถ้าเรารู้จักวิธีถ้าเราเชื่อตามที่พระเจ้าทรงสังส่งสอนและปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสังส่งสอนนับรองได้ว่าเราจะรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขและความเจริญ และเราไม่ต้องไปขอความสุขความเจริญจากใครทั้งนั้นเพราะความสุขความเจริญ น, นี้ไม่มีใครให้กับเราได้ความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆก็ไม่มีใครให้กับเราได้เราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเองเท่านั้นผู้อื่นเพียงแต่มีแต่บอกวิธีให้กับเราเช่นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนบอกวิธีสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับเราด้วยการทาบุญ ด้วยการละบาปด้วยการชำระความอยากให้หมดไปจากใจด้วยการหยุดความคิดให้ได้หรือให้คิดไปในทางที่ทำให้เกิดไม่มีความอยากขึ้นมาดังนั้นขอให้พวกเราจงถือหลักใจเป็นหลักสำคัญที่สุดอย่าไปแก้ปัญหาที่ข้างนอกอย่าไปแก้ปัญหาที่คนอื่นให้มาแก้ปัญหาที่ใจของเรา ทำใจของเราให้นิ่งให้สงบแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไปจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จใจดีให้ท่านได้นําเอาไปพิรพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา